ที่เรียกว่าบวชน้านพญานาน่านะเขปลอมตัวมาบวชนะอ่าพญาน ะ, ะ, ะมสมัยพุทธกาลเนี่ยอยากบวชนักเขาเลยแปงลงร่างเป็นพระเนี่ยมาอยู่ทำงานของพระเจ้าด้วยคือพระไปอ่าทุทโธเนี่ยไปอยู่ใล็กตาพอกลับมาไปแตดองกลับมาเป็นเก้าองอยงเนี้ยเขาเริ่มแปดแล้วคือพญ า, าน้าคนี่ปลอมตัวเพราะอยากบวช แต่ทีนี้พอหลับพ่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็คลายออกมาก็เป็นพญานาค ก, ก็เสด็จสมกับ น, น, นามน้าอยู่นี้กุฏิข้าก็เลยไปเจอก็เลยมาบอกพระุทธเจ้าพพุทธเจ้ากเลยว่าปวดไม่ได้เธอมีกรรมอยู่ประมาณนั้นเป็นสัตว์ในราชานอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมแสดงว่ามันน่างนี้ก็ไม่ต่างจากเราหรอกทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องสามสิบเอ็ดภพที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยในโลกสี่ โลกมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกเห็นไหมสวรรค์เนี่ชั้นจาจุ่มใช่ไหมพญานาเห็นไหเป็นเป็นเป็นเป็นเวดาชั้นจาจุ่มจะเป็นมีกรรมอย่างหนึ่งคืออ่เป็นเป็นเป็นเป็นเทวดาสิงศักดเข้าใจไหมแต่มีรูประพรมสิบสี่อัลูปพรมสี่สามสิบอดบ ในสามสบเอ็ดพเนี่ยถ้าคนเข้าถึงอรหัตกผลเข้าถึงอรหัตกผลคือออกจากสารสิสามสบเอ็ดพนี่ยทําเปรียบเหมือนวงกลมเนี่ยดังเวียนวนเวียนงยใจเกิดอยู่เขาเรียกว่าต่ของสารไม่ได้จางจาาาาอะไรจากแท่เลยยาวไเลยเพราเาไม่ดีกว่าอีกเลยซ้าไปเพราะพญานาค รู้ใช่ไหมอาจาร้์ทุก่าไม่สามารถอ่านะอ่ามนุษย์เราเนี่ยสร้างเรานี่พานก็ได้สร้างเราสวรรค์สร้างเราพยาบาเป็นพยาบายังได้เลยสร้างเราพรมยังได้เลยสร้างเอานี่พานก็ได้มี่คืเสร็จใช่ไหมชหยชาติกำเนของความเป็นมนุษย์้าติกำเนิดเรานี่ประเสิสุดเห็นไหม ทีนี้เวลามาในสามสิบเอ็ดมึนหนงหยุดออกจาก31มบพุนี่มาได้มาถึงของมาสิ้นแห่งวัดจตุสงสารคือมึงก็จะเห็นว่า31มสิบเอ็ดพนนที่เคขาเหมือ น, นเด็ด <c oughs> กนเพราะอะไรแม่เขาจำไม่เป็นคนน้อยถึงเอาร้องเรื่งพอสิ้นบุญมนุษย์ทิงเป็นโลกกลางที่เทวดาก็อยากเป็นใครก็อยากเป็นมนุษย์ ยิ่งมาพราะพระบูชาศาสนายิ่งเป็นเรื่องอันประเสริฐมากนั่นความหมายในทางศาสนาเรามองเห็นว่าสามที่เอเ่ยพตัดโลกทั้งหลายไม้ทัสามสิบเอ็ดพบนี่เองึือเรียกว่าตัดโลกทั้งหลายตัดนี้แปลว่าข้องตะวันเนี่ยข้องอยู่ในโลกกวลด้วนี่นเอง เพราะว่าพญานาก็เจนโลภกดหลงไม่ยังเหลืออยู่เห็นไหมเทวดาทุกชั้นก็ยังมีโลภกดหลงมีอารมณ์ตัวเดียวกับพวกพวกเราอยู่เห็นไหมไม่ได้แกจกต่างกันเลยและทีนี้เราวกกลับมาถึงเรื่องศาสนาที่พผู้เจ้าทําไมทิ้งไปเกิดเป็นอย่างนี้เพาราะกรรมกรรมหมายถึงกรร ม, มหมายถึงการกระทําของเรานั่นเองฮ ะ, ะถึงมัเป็นเพราะกรรมแล้วมีใครโดนบรรดาให้มึงได้ล่ะ เหตุปั จ, จโยเหตุที่เราสร้างนันเองซึ่เรียกว่ากรร ม, ม, มเทวดาเนี่มึงเป็นแต่ยังไม่ตายนะอย่างเช่นนี้นี่ยไม่ใช่ตายแล้ไปเป็นนะเป็นพ ร, หรนะหัตถ์นั่นก็เป็นจังมันจะไม่ตายจริงไมเป็นบุพกเจ้าฮะถ้าใจมึงดีถใจมึงประเสริฐทั้งแหลกมึงเป็นเทวดาแล้วถ้าใจมึงเหมือนสัตว์หรอเป็นควายมึงก็เป็นควายน่ะ ในพบปัจจุบันมันเป็นก็เหรอยังไม่ตายฮะมึงจะไปสงสัยอะไรตอนนี้มึงมึงเป็นอะไรอยู่มึงต้องดูเองอ่ะนิสัยมึงเหมือนควายมก็เป็นควายแหละอุปนิสัยปัจจัยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างต้องมีเหตุมีปัจจัยฮะไม่มีใครมาดนบรรดาให้มึงได้หรอกเข้าใจความหมายเรื่องกรรมไหมล่ะทีนี้ อย่างเขาจะรวยเนี่ยไม่ใช่รวยเพราะอะไรมาโดยบัณฑารเพราะเขาสร้างไว้สร้างเหตุไว้มันของเขาทั้งนั้นมึงอยากได้หมเด็หมายความมึงต้องได้เนี่ยถ้ามึงไม่มีเหตุทำไมคนถึงเกิดมาสูงต่ํดำขาำว่ํารวยแยกชนตกข้อ เ, เหตุไม่ได้มีใครมาโดยบัณฑารหรอกาใจ คนที่เกิดมารูปร่างสวยเขามีสมบัติมาเพราะว่าเขาถือศีลมาเห็นไหมใคอยากใคอยากรวยให้ทานเห็นไหานังพระพุทธเจ้าพูดขคอยากสวยถือศีลใคาอยากคนทุกให้ภาวนาภาวนาในความหมายนี่คือพัฒนาจิตนั่นเองพัฒนาสติแล้วจะไปวิงวอนร้องขอได้ยังไงฮะ แใ น, นเมื่อรู้จักว่าคำวมากรรมฮะคือการกระทำแล้วเราก็ต้องสร้างเหตุสิทำให้คนงามทำดีทําให้พัฒนาใจตัวเองดีงามมึงก็เป็เทวดาในในปัจจุบันนั่นเองใ <c oughs> น, นเมื่อมึงใจไปเนี่ยมันไม่มีทางอื่นหรอกเมื่อกายมึงแตกไปมึงยอง่อมไปพบที่เป็เทวดาน้นเมื่อใจมึงภูมิจิตมึงเป็นเทวดาจริงไหมนั่นเองฮะ มันจะยากอะไรมึงเลือกเกิดได้การทานยนะพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงวัตถุต้องมากหมายต้องทานเงินล้านเงินหลายล้านนะทานบาทหนึ่งก็ได้หลายกา็ทานเป็นร้อยล้านเลยนะถ้าทานด้วยศรัทธาทานด้วยหัวใจเราแต่ว่าทานเอาหน้านะ่ะทานเพื่อสะสมกิเลส นั่นแหละมันเลยคุณค่ามันน้อยก้าทำใน ห, หัวใจตรงนี้ทานด้วยความเสียสละอ่ะทานนังกรแเจว่าให้ให้ด้วยความอนุเคราะห์จริงๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุว่าจะมากน้อยบางคนไม่มีเงินทานเนี่ยเอามาเขือมาใส่บาทยังทีก็เสดหมาเสดศีทานได้ซ้ำไปคคุณค่าแห่งใจเนี่ยมันสำคัญจริงไหม เหมือนอาจารย์ตะวันพูดเมื่อเช้าเนี่ยเราไม่ใช่มากินข้าวนะที่วัดก็มีกินมันลึกซึ้งนะแล้วก็เป็นความจริงด้วยมึงลองไปบ่อน้ำพระยินดูสิกับข้าวเมื่อเช้าเนี่ยมากกว่านี้สามสิบข้าวัดบ่อน้ำพี่จริงมีคนมาไปทำไปเขวาย แต่เรามานี่ไม่ไดมากินเรามาเพื่อเยี่ยมเพื่อนฮะก็เก่าเนี่ยได้เวลาทั้งสามวันต้องจัดเวลาของคนอื่นออกเห็นไหมเพราะว่าต้องมาเกาะเต่าเห็นไหมตะหมูแค่คืนเดียวเห็นไหมสุราชคืนเดียวขนาดไปนอนเฝ้ากูเป็นเดือนนะสิงห์ เป็นตอนที่ว่าเป็นเดือนนะพราะฉะนั้นกาะเต่าถึงได้เวลาไปตั้ง3วัน3คืน4วันใน่ามต่อทำไมต้องมาเพราะเราคิดว่ามันเกิดประโยชน์ะนะลงว่าจะเกิดประโยชน์กับอีนกมั้งอีหลายๆคนที่อยู่เกาเต่า ามาเพื่อให้กาลังใจนะเห็นมมันเลยมีค่าความรู้สึกนองมันมีค่ากว่าอย่างอื่นจริงไหมแต่คนกลับไม่เหมือนหลวงตาบอกว่าหลวงตาให้เ <participate> ง <Gaz> ินอินโนไปอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหลวงตาเนี่เสียแต่หลวงตาจะเห็นว่าหลวงตาเป็นคนได้ ให้เดี๋ยวนั้นได้เดี๋ยวนั้นมันอาจจะไม่ได้เงินกลับมาแต่ได้ความรู้สึกอยู่ตลอดชีวิตด้วยซ้ำไปมีค่าวไหมพวกมึงมองเห็นไหมล่ะให้เดี๋ยวนั้นได้เดีย๋ยวนั้นเหมือนแผ่เมตตาเนี่ยว่าแผ่เดี๋ยวนั้นได้เดี๋ยวนั้นเราไม่ได้แผ่คนอื่นหรอกแต่เมตตาเรามึ ง, ง น, มนั่งแผ่เมตตาในกิจใจมึงจะดีงามมากคือใจมึงจเจริญพรมิหารศีลอย่างที่จริงทำให้ตัวเองนั่นเอง จากเราไม่รู้จักกูบาอาจากเลยใช้อุบายว่าแผลเมตตาที่จริงให้ตัวเองให้ใจตัวเองจเจริญในภพมิหารสีเกิดขึ้นใจจะเบาด้วยเห็นไหมอภัยทานเห็นไหมมันพัฒนานั้นเองเหมือนการทําบุญไม่ได้ทําให้คนอื่นเลยฮะทำเพื่อให้จิตวิญ ญ, ญาณวิชาตัวเองพัฒนานขึ้นฮะเห็นไหม ใจก็เริ่ม ง, งามสวยงามเพื่อเดีย๋ยนะเดีนะนั่นแหละศาสนาพวกเราสอนอย่างนี้นะท่านสอนคนเราไม่ได้สอนควา ย, วยานะจริงไหมล่ะศาสนาหลุงกำพูดอยู่บ่อยๆว่าศาสนาคือคน ศาสนาไม่ใช่นักบวชไม่ใช่เรื่องของวัดเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตถ้าเรามีเบรคมีสตินะนั่นแหละคือเดรของใจฮะถ้าเราขาดเบกก็เหมือนรถขาดเบรคใช่ไหมขาดสติมันก็ชนมั่วจริงไหมมันจะวุ่นวายไว้เหรอฮะเห็นไห ม, ไห ม, ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องศาสนาถึงเป็นเรื่องงดงามมาก หลวงตาเคยพูดว่าฝนทุกเม็ดจะตกเป็นเม็ดตรงคําก็ไม่ทําให้คนมีความสุขหรอกถ้าใจนั้นขาดสิงขาดทำก็จะอยู่กันยังไงล่ะเอ๊ะถ้ใจขาดสิงขาดทำบางครั้จะเป็นความอัตตาเป็นควเห็นแก่ตัวนั้นงคือการเจริญของที่เลวทุกคนจนิดไม่ได้ความเห็นแก่ตัวลองดูสิเอเนน๊ะโลกมนุษย์เนี่ยลองดูสิ วาดใจกลายเป็นสัตว์หมดแล้วทุกวันเนี่ยเพราะวาใจมันไม่มีสินธรรมไม่มีใครวิเศษมิโสมาโดนบันดาลให้ใครได้หรอกไม่มีอะไรป้องกันกรรมเลยถึงเวลาตายมึงต้องตายแน่นอนสมบูรณ์แบบมากกรรมเนี่ยมีจะมีอะไรมาป้องกันกรรมได้ไม่มีคนฆ่ามึงก็นอนอยู่ดีดีมึงก็ตายถึงเวลา พุทธศาสตร์ไม่ใช้ไสยศาสตร์นะคําว่าพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของผู้ตื่นผู้มีปัญญาไสยศาสตร์เป็นศาสตร์ไสยแปลว่าหลับแปลว่านอนเห็นไหมเห็นไหมไสยศาสตนอนแปลว่าหลับแปลว่าผู้งมงายนั่นเองเพราะฉะนั้นดีหรือชั่วอยู่ที่เราทําไม่มีใครมาบอกให้เราดีเราชั่วได้หรอก ใครทำดีดีถึงจะไม่มีคนเห็นมันก็ดีแอหลวงตาเคยพูดไว้ว่าคำเยินยอคำยบย่อมที่ไม่เป็นความจริงน่ะคือคำที่ด่าที่แฉที่สุดแต่คนไม่ชอบคนเราเนี่ย ถึงจะยากดีมีจนต่ำต้อยอะไรก็ตามต้องอยู่ร่วมกันได้ที่ถ้ามีน้ำใจจริงไหมถ้ามีศีลมีธรรมผู้ใหญ่ก็เมตตาผู้น้อยจริงไหมช่วยเหลือเจอจริงกันหรือไม่จะน่าอยู่ขนาดไหนล่ะเห็นั้มทำไมถึงเรียกว่าป่าเห็นป่าไม้ไหม มันไม่ได้มีต้นใหญ่หญเสมอไปหรจริงไหมต้นเล็กก็มีคนแต่ต้นใหญ่จริงไหมถึงเรียกว่าป่ามันยังอยู่ร่วมกันได้ต้นเล็กๆ ก, ก็คุมดินให้จริงไหมต้นใหญ่ก็คุมแดดให้จริงไหมสังคมมนุษย์เนี่ยมันต้องมีสีมีธรรม กู้อะไรก็ตามเศรษฐกิจจะดีขนาดไหนถ้าไม่มีศีลไม่ทำมึงลองดูฮะเป็นลูกหัวไผ่เมียใครโอ้โหจริงไหมฮะมันก็เลยกลายเป็นสัตว์ไงไก่นี่แหละเป็นสัตว์ไม่ใช่อย่างอื่นมันจะไปเป็นเทวดามันไปเป็นไม่ได้ถ้าใจมันเป็นสัตว์เข้าใจไ้ม ถ้ามึงยังทุกอยู่มึงจะไปสวรรค์มันก็เป็นเรื่องยากแล้วมึงดูปัจจุบนันนะทุกอย่านะนะเพราะนั้นฝุดใจให้ตัวเองให้รู้จักปล่อยจักวางยอมรับความจริงนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าเรางอติงูมึองอเท้านหลอดยอมรับคือทำตามหน้าที่ ทำงานค่อยความขยันขันแข็งรู้จักพอเพียงพอใจในสิ่งที่เราได้มาผู้มีมากกว่าเ็ารู้สึกเมตตาผู้นะั้นแบ่งสรรปันส่วนกันก้ามบัตภาพทุกวันนี้ที่มันแย่ก็คือผู้ให้มันมีน้อยผู้รับมันมีมากมันไม่สมดุลกันนี่แหละคือคำ ทุกอย่างนั่นแหละที่ทำไม่มีอะไรเลยที่ไม่ใช่ธรรมะเอากระปั้นตีรองดิมยังเป็นธรรมเลยถ้าเข้าถึงธรรมนี่เป็นสัจจะเป็นความจริงแล้วเราเกิดมาตายเนี่ยทุกคนเขายอมรับไม่ได้ถึงมึงยอมรับไม่ยอมรับมึงก็ตายออาสุมันก็เป็นเรื่องประลาดนะนี่จะอยากเกิดแล้วไม่อยากตายเนะี่ย จริงไหมถ้ามึงไม่อยากตายมึงก็อยากเกิดสิเมเกิดแล้วก็ต้องตายเกขึ้นตั้งอยู่ทั้ไปมันเป็นอันนี้จังมันเป็นไตรักเป็นเรื่องจริงแต่ก่อนจะตายนี่สิตายไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้าไม่อยากตายก็หายใจไว้เด้อง่ายถ้ามึงยังหายใจอยู่มันไม่ตายหรอก เพราะงั้นสุดลมหมายใจสิอาณาปณสติสิสิ่งที so ่มีค่าที่สุดคือลมหายใจใช่ไหมแต่ชีวิตเนี้ยปานหรือปล่หรือว่าชีวิตเห็นแต่สิ่งที่มันค่าหวเราก็ไม่ใช่สนใจเลยตอนนี้ไม่สนใจลยก็ไม่รู้ฮะมึงกดเช่านี่ได้กี่วันอดน้ำได้กี่วันแตว่าถ้ามึงกดลมล่ะ มึงจะอยู่ได้กี่นาทีเพราะฉะนั้นการฝึกพาพักภาวนามไม่ใช่มบาบวชอย่างเดียวนะเป็นโยมก็ทําได้เป็นผู้หญิงป เ, เป็นเด็กเป็นเล็กทําได้อานาปาญสติถึงเหมาะหลับสักเว้ทุกเพศทุกไวันอนอยู่บ้านมึงก็ดูได้อะดูไปจนหลับตื่นมาดูนิดหน่อยก็ไปทํางานก็มีเวลาว่างเมื่อไหร่แเรวก็กลับมาดูลมล้วก็ทํางานเข้าไปด้วยมีความมีสติสัมปชัญญะ นั่นแหละก็เรียกว่าทำความเพียรมีสติก็มีความเพียรขาดสติก็ขาดความเพียรมันจะมีแค่นี้มึงจะเดินจนกลมจนขาขาดทั้งสองข้างฮะมันก็ไม่เกิดผลหรอกถ้าไม่มีสติจะนั่งกำมือจนเล็ดทะลุเห็น ไ, ไหมเนี่ย มึงก็ไม่เลยบรรลุธรรมหรอกไม่เข้าไปถึงความเป็นพัะเจธรรมนะมึงเห็นไหมฤาษีมึงฤาษีเก็ตนั่งตัวเล็บหนึ่ทะลุเพราะบำเพ็ญสบายบางคนยกมืออย่างเงี้ยจนแขนวียูเป็น12ปีอย่างเงี้ยฤาษีก็ไม่เลยบรรลุธรรมพระพผูธเธ้เจ้าทำมาก่อน ฤทธิเดชเนี่ยเทวาทัตก็ทำได้แต่ยังสงอารมอยู่นะถ้าขาดสติถือศีนก็ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีสติมีสมาธิก็ไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีสติแต่ถ้าจะพูดแบบหลงตาสิ้นคิดจะแปลกประลาดบางคนึ่งหลงตาว่า ถ้ามึงรู้ไม่เช่าทาันความคิดเนี่ยไม่มีทางที่ศีลจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าศีลกับสติสมาธิเนี่ยมันรวมอยู่ด้วยกับศีลถ้ามึงไม่มีสมาธิมึงไม่มีศีลหรอกศีลที่หลวงตาพูดหมายถึงอะไที่ศีล น, นะหมายถึงอะไที่ศีลอลยที่จิตที่ปัญญาลองเรานัง่งหลับตาดู กายเราไม่ได้ไปเบียเดเบียนนะที่ไม่วาจาเราไม่ได้เบียเดเบียนเพราะเราไม่พูดแก่ใ จ, ใจเราละ่ะความคิดละ่ะถ้ายัางคิดอยู่มึงไปอยู่กับผัวใครก็ไม่รู้อยู่กับลูกใครก็ไม่รู้ฮนะนะเหมือนนิคานเรื่องฮนะโสเพณีกนะับนะักบวชฮะนะ นักบวชนั่งอยู่ในกุฏิก็คิดมีใจอยาไปอยู่หาโสมเพนีฮะโสมเพนีก็มีอยาก น, นั่งอยู่ในซ่องอนะก็มีคิดแต่อยากมาทมําบุญอย่างมากราพระฮ ะ, ฮะพอตายไปอนักบวชเลยจงอารกโสมเีเลยขึ้นโชว์ครับความคิดนี้กําลังไหมล่ะ ฮะเกรดพระนั่งอยู่ในกุฏิไม่ใช่ว่ามันมีศีลไงนะมันอยากไปเที่ยวช่องมั น, นคิด<ม>ใช่มไหมแต่โชคไม่กับอยู่อย่างนี้นเราอูโหัทชามากอยากไปจามอยากไปทำบุญแต่ไม่ความคิด<ม>อะไรอะไรทงนีีนี่คือความคิดเป็นเจตนาคือเรียกว่ากรร ม, มแต่ถ้า เป็นสมาธิปุ๊บสีนจะมีสินส้นสติเขาเรียกอธิีสีนเพื่อจิตจะหยุดคิดททันีติในเมื่อจิตหยุดคิดแล้วฮะเห็นไหมมันก็สงบมันก็ไม่ไปคิดไปหาลูกเขาหาผัวเขาหาเมียคนละคัมันก็มีสีนอยู่แต่ตอนเนี้ถ้าเรานั่งอยู่เนี้ยปากก็มีสีนคือไม่ได้พูดกายก็สงบแต่ว่าใจมันไม่สงบมันไม่มีสีน เพราะงั้นสิ่ของพวกเราเนี่ยถึงรักษาได้จากกายกับวาจาใจใจใเราไม่มีสินนี่งักปฏิบัติจะเห็นสินตัวนี้เรียกว่าอาชีพสินอาชีพจิตอาชปัญญารือเข้าถึงสินสมาธิปัญญาถ้าคิดอยู่เนี่ยลืมตาคิดว่ายังสร้าง ม, มโนกรรมอยู่นี่คือเหตุเพราะงะั้นความคิดเนี่ย มันไม่มีอะไรกั้นมันเราห้ามมันไม่ได้มีบางคนเขาว่าความคิดนี่มีค่ามากใช่ถ้าเราหวังในกุศลอยู่ในการเกิดอยู่เพราะคิดดีมันก็เป็นกุศลนั่นเองเป็นความสุขเป็นความพอใจแต่คิดไม่ดีก็เป็นอกุศลทำให้เราทุกข์ได้แต่นี้ไม่ใช่ขั้นอริยชนที่จะเข้าไปถึง เพราะว่าขั้นถึงถึงสมาชิกปัญญาเขาไปตัดกระแสให้การอ่าไม่คิดนะไม่ปรุงแต่เรียกว่าสังกัดคือนิพพานเนี่ยไม่เอาทั้งดีทั้งชั่วอย่างนี้แสดงว่าพวกที่าไปพูดว่าความคิด่มีค่ายังต้องคิดอยู่เรื่องคิดมากอยู่แสดงว่าต้องการเกิดอยู่ ก็มันก็เป็นปุถุชนอยู่ดีก็เป็นธรรมะก็จะเป็นธรรมะขั้นสมญาความจำฟังมาคิดเอาวิปัสสนาต้องเข้าถึงความไม่คิดคือความว่างก่อนถ้ายังไม่มีสมาธะไม่มีสมาธิเราจะไม่เรียกว่าปัญญาหรอกเราจะคิดเอาเป็นขั้นสัญญานั่นเอง เราจะใช้เหตุใช้ผลใช้พิจารณาตักากะของตัวเองถามตัวเองตอบตัวเองอยู่เรื่อยๆมันจะจบจะสิ้นเลยมึงก็ย่อมเข้าข้างตัวเองอย่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันถึงได้ชะล อ, อ ก, กันเสียงกันก็เพราะเหตุผลมันต่างกันคูมิปัญญาสติปัญญามันต่างกัน เพราะฉะนั้นความคิดทุกอย่างนี้ถึงเรียกว่าสมมติเนี่ยพูดแบบหลงกาสิ้นคิดไม่ว่าจะคิดดีคิดไม่ดีก็เป็นสมมตุติคิดเกลียดคิดทังคิดอะไรก็ตามเรียกว่านิวรณ์ได้ถ้ายังคิดอยู่ในนิวร่ยมันจะมีสมาธิได้อย่างไงนิวรก็เอาไปกินหมด เพราะว่านิวรณกับสมาธิมันเป็นค่าสุดต่อกันถ้ามีนิวรณ์ก็ไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็ไม่มีแล้วมันจะเป็นวิปัสสนาแล้วอย่างไงเพราะฉะนั้นหลักการใหญ่ของศาสนาพุทธเรานะใครจะสอนอยังไงเอาความเห็นตัวเองมาสอนอะถ่าสมมุติ เราอาจจะแตกต่างกันแต่ทางวิมุตต์เราเหมือนกันหมดเลยไม่ได้แตกต่างกันเลยน ะ, ะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์มามาให้กำลังใจมาให้แง่คิดนะนะหวังว่าจะอ่าไม่ไม่มากก็น้อยหวังว่าจะเกิดประโยชน์นะ ถ้าแล้วแต่บุคคล น, นั้นไม่ได้พูดให้เชื่อแล้วแต่จะเอ า, เอาส่วนมากเราจะไม่ใช่เอาเลอกเรื่องดีธีการความใจความคิดมันจะไปหาแต่เรื่องไม่ดีส่วนมากจะหาแต่ขยะอะไรใช่ไหมกายมันเสพธาตุพืชธาตุสัตว์แต่ใจนี่มันเสพอารมณ์ส่วนมากมันจะอุ้ง คนนั้นดีคนนี้นดีไม่รู้มันธุระอะไรของมันไม่รู้น <laughs> ะฮะฮะชอบหรือเกิดไอเรื่องไม่ดีอ่ะอ่ะยั ง, งดูดีๆนะเห็นเห็นชวัวร์มันเจอเห็นความเชื่อไรของตัวเองเล ย, ยเดี๋ยวมันเจอเชื่ อ, อตัวเองก่อนตอนนี้เราเราเข้าข้างตัวเองมันก็เห็นชื่อของตัวเองเห็นไหมเราไม่เห็นใครเลยเพาเรามองออกไปข้างนอกเราไม่มองข้างในฮะ เราไม่มองเข้าไปถึงใจตัวเราเองเลยเราก็มองจากคนอื่นไปวิจารณ์ จ, จากคนอื่นไปตำหนิจากคนอื่นฉันคิดมันไม่ใช่หน้าที่่เราจะไปแก้กคนอื่นหรอกการภาวนาเนะี่ยไม่ได้แก้คนอื่นนะมันแก้ตัวเองมันสอนตัวเองมาฝึก ต, ตนขับใจตนอ่าทุกที่คุกเนื้ยากคือการขัดใจตัวเองเนีน่ยนะเคยริงเคยหลับเคยนอนเคยนอนสบายเราก็ลองมาขัดดูแล้วมันทุกข์นะอ้า มึงเคยนอนอยู่บ้านห้องแอร์มึงลองไปนอนอยู่ในป่าคนเดียวเด็กมันส่งผลมากนะมึงเคยกินสามมื้อลองมึงมึงอดมื้อกินมื้อลองดูสิชอบวิจารณ์เนี่ยนักบวช ทำวิจารหรือการ โ, ย, โยีอยู่วิจารพะลองมาบวช ด, ดูฮะพวกลักธศาสนาเนี่ยฮะ้ารัจริงๆมาบวชที่หลวงตาเจัดที่เจ้าภาพให้มีกุฏิให้อยู่ฮะฮะแล้วก็มาทำเอาอย่างที่ตัวเองว่าพระต้องเป็นอย่างนัง้นลองมาทําดูมึงจะอยู่ได้กี่วันวะจริงไหม ลองดูเถิอนะลองมาอยู่คนเดียวในป่าในถ้ำดูสิฮะมึงจะรู้ว่านรกกัามีจริงฮะมึงเคยเชื่อเคยชอบใจมึงไม่ได้ไปทำ อ, ะอ่ะฮะจะอะไรมึงจะเห็นจากความกลัวอ่ะความวิุกกังวลแ่ะ นั่งอยู่ในป่ามืดๆคนเดียวเนี่ยมึงลองดู<ะ>โอ้ยเดีวผีจะมากัดคอแล้วเดี๋ยวพยาน่าทำไมแล้วฮ ะ, ฮะใครละช้างที่มามันก็จะเห็นที่มึง น, นั่งอยู่ที่เดิมมานะกลางวันมึงก็นั่งอยู่ที่นั่นกลางคืนมึงก็นั่งอยู่ที่นั่นต่ทำไมมันต่างกันจังล่ะฮะ แต่ถ้าคนมีปัญญาอย่างกูเมื่อก่อนกูกวตัวเหมือนกันแหละเฮ้ยเวลากูหลับทำไมผีไม่หลอกกลัวกลัวทั้งทีุ่ณนานอยู่ที่เดิมพอกูรู้ทุกขึ้นมากันขึ้นกับกลัวแล้ ว, ว, ว, วท้งที่อยู่ที่เดิมนี่เราก็จะเห็นชัดเจนอย่างเงี้ยเรากลัวอะไรกันแน่อะไรที่สร้างความกลัวให้เราก็คือความคิดนี่เองความรู้สิกนึกคิ ด, น, คดนี่เหละถูแต่ตอหลับเนี่ยโอ๊ยผีไม่เห็นหลอกเลย ว่ามันน่าจะมาหลอกตจนเราหลับนี่ดีกว่าจะฟังสงขึ้นมาเอารู้สึกกลัวแล้วเห็นไหมคือมันจะที่สูดตัวเองมันจะเห็นชัดเจนมากอันที่ก็พูดธรรมะกันเไี่ยสตร์ใหญ่คำอันนั้นมันเป็นชื่อของธรรมะแต่ธรรมะจริงๆเนี่ยะคือของจริงอะกลัวก็กลัวจริงๆทุกก็ทุกจริงๆฮะนะ มึงลองดูสิมงก็อยู่คนเดียวมึงจะคิดถึงใครอ่ะนั่นแหละของจริงโอ้โหออจริงจริ ง, รงเตือนก็เตือนตั้งแตที่งที่สองเลยที่นอนก็นอนดึกบางตอนไม่ได้นอนเลยเตือมาฝกจนมาพัฒนาจนนะ โอ้ยสุขสบายผ้านี่มึงลองมาบวช ด, ดูลุงตาใครว่าเขาว่าบวชผ้านี่สุขสบายมีแต่คนเอามาให้มาบวชสิมึงไม่อยากสุขสบายไงังไงบวชแล้วรวยมึงทางานทุกวันแ้มึงอยากรวยเลยมาบวชสิเขาบวชแล้วรวยมากนะมาบวชนะแล้วกูจะเป็นเจ้าผ้าให้ฮะโกนหัวให้ด้วยนะจะโกนด้วยมือกูเนี่ยฮะ ้าบวชแล้วมันสุขสบายจริงๆอ่ะมึงไม่อยากสุขสบา ย, ยางไงมาสุขสบายบวช ด, ด้วยกันเนี่ยฮะถ้าบวชแล้วมันมีเงินมีทองรวยเหรอมามึงทำงานทุกวันนี้แสวงหาพ่ออยากรวยแล้วแหละมาบวชสิจะมัวใจพูดอยู่เลยใครห้ามบวชล่ะฮะ ถอยากรักษาศาสนาฮะมาสิเธอจงมาลองดูเถิดนี่มันของจริงมนันเะไรอย่งนี้มันปลุกจนมาใช้ขั้นสิลงตาเนี่ยบวมใหม่ๆเนี่ยโอ้ยสองฟ้มบันฉันหนุนหนุนไปอยู่บนเขาคนเดียวนยั่ตัวเปน็นกมภาร ก็จะเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้ไม่ธรรมดานะวอาจารย์เอาชีวิตเนี่ยเป็นเดิมพังแรกมางอร้องห่มร้องไห้สลบแล้วไม่รู้กี่ครั้งถึงเห็นโทษของความทุกข์หนะึงทุกวันนี้โอ้โหเป็นโวกนะกันนะอกหักก็หารักใหม่เหมือนกัว่าก็เมืนคนเลิกเลิกเ ล, ก, เ ล, ก, เลกกัญชาแล้วมันกินเหล้าแทนั้แล้วก็เมาเหมืนกัน ฮะไม่ทดแทนได้ไม่มีทางเติมเต็มไงนะคะไม่มีเติมเติมมันไม่มีเติมจันหามึงมีสิบบาทมึงก็อยากร้อยบาทมึงมีร้อยบาทมึงก็อยากมีพันมึงมีพันมึงก็อยากมีแสนมีหมือมีร้านมีร้านหลายหลาย้านไม่จบคําว่าตันหาเนี่ยไม่มีทางจบ ขนาดตายงามๆดูมันยังอยกได้อยู่ก็จะแทงยังห่วงมเห็นความยึดมั่นถือมันนี่ะตั้งห่าหลอกลวงเก่งจะใจไปฮะสวยไปสวยไปเลยที่สวยอย่างงี้มึงจะสวยได้อกสักสี่สิบปีไหมกูฮะตอนนี้ก็พอดูได้ละอู่สักสี่สิบปีมาเจอกันนะ ว่านมเนี่ยชงเนี่ยลาลุงชิงมึงไม่ต้องไปหัวเราะคนแก่หรอกมึงก็จะเป็นอย่างนั้นแหละถ้ามึงไม่ายใจคอมันเป็นเรื่องจริงเห็นไหมมันไม่เชื่อเมื่อก่อนยังรักแกก็สวยเนี่ยไอตอนนี้กูไม่ว่างอ็ชิงชิง จริงไหมล่เพราะรวมสมบูรณ์กดจะได้แบบนี้ไม่ใช่จใช้เวลาน้อยนะเว้ยลงทุนเยอะเลยจริงไหมล่ะเห็นไหมวันนี้กูอ่าได้คุยกับน้องน้องมินดาราดาราก่อจะเป็นดาลาได้อยู่ทุกประการมากอยากกินก็ไม่ได้กิน กัวอ้วนกัวว่ามันกินกระดาษที่ชู่มก <laughs> ว่าหิวกัวพอบอกมาไม่สวยจริงๆนี่นั่งคุยกันอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมเพราะว่าถ้าผอมน่ถ้าไปถ่ายแล้วจะขยายขึ้นมาสามเท่าเห็นไเห็นตัวจริงตรงนี้ไหมตัวเล็กหน้าเล็กก็ไปดูใ น, นหนังดิ มันขยายออกมาเป็นหน้าผมถ้าดูตัวจริงเนี่ยนั่งคิดอยียวตัวนี้เดียวเลยนะแต่ถ้าไปดูในหนังโอ้ทำไมมันตัวใหญ่ขึ้นหน้าโค้งนา่นแหละความจริงเขาต้องแข็มกว่าอยากกินก็ไม่ได้กินอะไรนะทำไมกูไม่สวย โอ้สวยเลยชารา妈เนานานังก็สวยเยนะฮะฮะแ่็ลูกเรีนะโอ้ลงทุนหนักนะเนาะอยากกินทุเรียนไม่กล้ากินฮะเอ๊ะไหมมันไม่ธรรมดานะอยากเป็นพะเาหมือนกันจากเราเคยกินสามมือก็หลือมือเดียวลองดูสิ มึงใหญ่ว่าจะดูโทรทัศน์ดูโทรศัพท์เลยฮเขาบอกโอ๊ยมาดูโทรศัพท์ดูโทรทัศน์ดูท่านเดี๋ยวมันจะติดจะไปไหนได้อยู่บ้านกูนี่กูว่ามีทุกมุมโทรศัพท์กับโทรทัศน์กูจะหนีมาได้เลยไม่เห็นกูติดเลยถ้ากูจะมาฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าจะดูโทรทัศท์มีโทรทัศท์มีโทรศัพท์เลยฮะอยู่บ้านกูนี่โอสบาย นี่สิ่งอำนวยความสะดวกทุกอยาก่างกูจงไปนอนผู้เสืออยู่บนเขาโจกยาค่ะฮะถ้าเราอยากมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกาตัวเองอลองดูที่จะได้เห็นว่าทุกนี้แหละของจริงจะ่นี่โอโหไปตามใจกามกิเลสตัวเองนะ จะไปถือเอาอะไรกับพวกบ้าบ้าบวบมาบวบแล้วไปหาจิตศีกาไปหาชิลเล่านะจะให้ฆ่าว่าเป็นฆ่าได้ไงกูว่าพวานั้นมันไม่มีเจตนาเป็นฆ่ามันไม่มีเลยซ้ำไปพกนั้นทำลายไม่ได้พระพุทธเจ้าจะยําว่าเลยพี่จะทำลายศาสนาได้คือสัทธัมปฏิรูปคือสอมผิดเอาความเด่นเจมาสอน ฝึกเต็มดีแล้วก็ฝึกคนอื่นต้องทำประโยชน์ตนให้เสร็ก่อนเขาทาประโยชน์ท่านเห็นไหมครูเจ้าเขาบอกแล้วเห็นั้ยทำประโยชน์ตนนะแล้วนนะ ป, รลประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาณเห็นไหมอย่าประมาทนะเกดมาครั้งนี้เป็นมนุษย์ดิเศยากมากเทวด า, านี่เป็นง่ายกว่ามนุษย์อีกนะจะบอกให้ เจวดาจะตายมันยังบอกว่าโอ้โหมาแต่ลราเฉินขอร้องหงุร้องให้บอกเร็วขอให้ตื่นมนุษย์เลยอย่างเงี้ยไอ้มนุษย์จะอยากเป็นเจ้าามันต้องลงมันมีหรือภพภูมิดีๆเนี่ยนะฮะอย่างน้อยก็ก็ไปสุนัยการมาคุณก่อนให้สวรรคตั้งหลักก่อนก็ยังดีเนาะ ก็บอกไม่ว่ากันลราอยากเอาอะไรก็เลือกเอาเองเด้อฮะเลือกเอาอยากเกิดเป็นอะไรก็เลือกเอาเลือกทำอ๋อได้เหรอแล้วอีกงาไมไหครับหลวงตาถ้ามันเป็นเทวดาจะกลับเป็นคนอีกกูก็ไม่รูร้กูไม่เคยเป็นเทวดากูก็อยู่เป็นคนมึงกูไม่รู้เลยไงไแต่ฉันก็ว่าอายุยืนนะถ้าในจํารายอย่างเงี้ยอย่างฉั้นดาวดึงอย่างเงี้ย ออวันหนึ่งของเขาก็ร้อยตีเราไงนี่กูยังคล่องใจอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าไปจำพรรษาอยู่ยาวมดึงสามเดือนนะกูกลับลงมาไม่ได้สามพันตีกูว่าจายหมดแล้วใครเขียนก็ไม่รู้ที่จะหลักของความเป็นจริงอยู่นะกูฮะจริงไหม <c oughs> คนเขียนก็คงคิดไม่ถึงมั้ง นีกเขียนเกินไปฮ่าาฮ่าร้อยปีนะของของเราเนะี่ยวันหนึ่งของดาวดว่านงถ้าพระพุทธเจ้าไปจำ บ, บรรษาในดาวดวงนสามเดือนนะ่ะอันนี้มันเพิ่งเท่าไรหร่วะ 2,500 กว่าปีเองนะแสดงว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ออกพอรรษาอะไรอยู่เลยแลวทำไมงไปงไม่รู้สิกูก็ไม่รู้กูเกิดไม่ทันไง สิ่งที่เราไม่รู้เราก็อย่าไปพูดอย่าไปนั่นดีกว่าถ้าสงสัยอยู่เราก็พูดไม่ได้นะแต่พูดให้ฟังว่าบางครั้งบางทีบางเรื่องนะมันจะมีนัยะอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นแหละนะให้เราไปจีความหมายหลวงตาว่าเอ้าถ้าดาวันหึงเนี่ยเมื่อวันหนึ่งของเขาร้อยปีของมนุษย์ สามเดือนมันต้องสามพันีสิจริงไมแล้วถ้าไปจำัาษาอยู่เราวลีสามเดือนมันกลับลงมาหาไปหมดเลยจริงไหมมันก็น่าคิดอยู่นะแล้วอีกอย่างเาดาไม่ไม่รู้นาไปบิ้นสบัติที่หนจริงไม <c oughs> ขเขาในระเบียบให้รินมันจะอิอ่มหนุนเป็นมนุษย์ ฮะจริงไหมมึงต้องเพราะว่าเรามีกายยาบมีธาตุอยู่จริงไหมธาตุธาตุเนี่ยมีรูปเนี่ยเรวดาไม่มีรูปเนี่ยมันมัน ม, ม, มันขาห้าไม่ครบเนี่ยมันไม่มีรูปมันก็ไม่ต้องกินมันก็ไม่ปวดใช่ไหมเคยได้ยินว่อาอิ่มทิพย์แต่ที่แท้คือไม่ต้องกิน ไม่มันไม่ได้อิ่ทิพย์หรอกมันต้องกินเหมือนเราเนี่แหละมันก็เหมือนคนเนี่ยถ้าพูดถึงเดี๋ยวจะพูดแบบพ้าชินชินได้ฟังเชวดาศัลย์ชั้นเนอ่ยเราไม่เห็นเขาเขาก็ไม่ต่างจากเราหรอกเป็นคนอย่างเงี้ยอย่างมันจะเสร็สมกันไม่ใช่คิดแล้วสําเร็จความใค้่ไม่ใช่มันก็กอดจูกันเท้ากันเหมือนเดิมนี่แหละจริงจริง เศษกรรมเนี่ยมึงเชื่อไม่เศษเลทั้งวันอ่ะมันทั้งิอยู่ในการมคุณห้ามันจะต่างอะไรจากคนละ่ะฮะอย่างมึงเป็นเทพะุขเน่งีงงงบริวารสักร้อยคนเนี่ยเอากัต่อคิวยาวเลยแหละจริงละ่ะามีคนเดียวมันยังไม่ใออกจากบ้านแล้วลงมึงมีงมง้อยคนดูสิฮะฮะตายเลยมึง เป็อย่างนั้นจริงจรอ๋ออันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะบางคนมีเป็นหมือ่นอะ่ะบริวานใช่ปรากฏบาแล้วมึงจะมีเวลามาสมัญตามากรรมหามึงมันไ ม, มีเวลาหรอกมัเสร็จมันติดอยู่ในกรรมคุนห้าวแล้วเขาทําไมเขาไม่เหนื่อยหรอไม่เหนื่อยจีเพราะนี่ไม่มีธาตุไม่มีกายยาก แลเขาม่เป็นโลคด้วยเพราะเขา ม, มีกายยาเข้าใจไหมเขาก็มีแต่อารมณ์เฉดยฉอารมณ์อยู่นะแต่เขาก็มีกายนะันอยู่ในพวบของเขาที่ในมิติหนึ่งอะที่ร่างกายนี่หญิงชแบบนี้แหละไม่ใช่มีแต่คนชายนะเว้ยเาานั่นหละฝรังก็มีนิโก้กมีทีบอกให้ ศาทำงานอื่นเขาขึ้นสวรรค์นี่ใช่ไหมไม่ได้ยากเลยเป็นเทวดาเป็นมนุษย์นี่อ่ะกับเป็นพระนี่อ่ะเป็นพระในความหมายนี่ไม่ใช่สมมุติที่ส่งนะโตระบันขึ้นไปชื่เรียกว่าพระ ใ, ในทางศาสนาไม่ได้นะ่าปวดนะเป็นโยมก็เป็นพระได้นะ ในความหมายของคําว่าพระในศาสนาเรา่ภูมิจิตเข้าไปถึงโซนระบันนี้ก็เป็นพระเรียกว่าเป็นพระแล้วนะเป็นโลกุตระธรรมขั้นต้นแล้วตร้นนี้จะถูกเข้าสู่กระแสนิพพานตรงนี้เป็นออโต้เลยโซนระบันนี้เป็นออโตแล้วนะความเทีย ง, ยงนี้มันจรังเข้าเอถึงเรียกว่าโลกุตละ ทำไมถึงไม่เสื่อมพระโสดาบันไม่เสื่อมข้าพระโสดาบันที่ไม่เสื่อมก็เพราะไม่ได้ทามนันเองแต่มันยังไม่สเสื่อมแค่นั้นแหละมันกระเทิญแร่เทิญสมาธิสี่สมาธิปัญญายังไม่สเสื่อมยังเกิดกามและอยู่เป็นปกติยังอยากรวยอยู่แต่รวยแบบโสดาบันไม่อยากรวยเพื่อเอามาทานนะใร่ ไ, ไหม <laughs> เห็นไหมั <würden ancia> ้นประนางวิสาขาจะมีลูกยี่สิบคนเลยเป็นโสดาบันก็ยังเศรตามอยู่มีลูกโด่กด้วยที่งท่างบาลีหรอจ้ะค่ะพระโสดาบันที่หาเงินเพราะอยากอมาทานหรอจ้ะค่ะไม่เยังยังยังยังยังยังยังตัดขาด่าราคาไม่ได้เพราะว่ากําลังของสมาธิยังไม่สมบูรณ์ยังตัดกระแสหก็ราคาไม่ได้ อย่าลืมว่าทักษะการกระแสราคาได้อนาคามีเท่านั้นอนาคามีเนี่ยหมายถึงว่าสีสมาธิปัญญาหรือสมาธินี่ยเป็นเป็นมหาสติละแก็ยังดับดับอัตตาไม่ได้ดับตัวเองไม่ได้แค่นั้นเราเลี้อยู่นิดนึงนะกามเนี่ยไม่มีไม่มีมมมมบังคับนะกามเนี่ยคือไม่มีในสันดาณพระนาคามไม่รู้จักเลย เแล้วพระอนาคามีจะรู้ตัวไหมเจ้าคะว่าตัวเองยังดับตัวเองไม่ได้รู้สิเพราะว่ายังสงสัยอยู่<ม>พระอนาคามียังสงสัยในอรหันตผลอยู่นะยังว่าคนอื่นเหนือก็ตาตนคนอื่นเสมอตนแล้ะคนอื่นต่ำกว่าตนอยู่เพราะายังมีมานะอยู่ตรงมีอัตจายังมีตัวตนนั่นเองฮมีคำถามนะคะอ่าบน้ำมนต์มีประโยชน์อะไรครับหลวงลุงก็มี อาบน้ำมลกเหมือนอาบน้ำนี่แหละมันล้างฝุ่นออกได้อาบ <c oughs> <c oughs> เยอะเยอะมันแบบไม่ขังอะไรเงี้ยจะต้องอสบู่ถั่ว้ า, <ะ>าวมันทาให้ขังอะไรเงี้ยนี่ขังหรอกนีมันก็ขังพแรงแล้วมันหนีออกไม่ได้ ม, มันเป็นสิมนงมงคลโอ้มันก็เป็นทางนั่นเอง ไปล้างบาปด้วยการอา บ, บน้ำเห็นไหมอันนี้เป็นพราหมงอยู่บนพิมพ์พูดเลยนะก็จะพูดถึงอนะฮะไมไ่พูดทำไมเยอย่างว่าพิมพ์พูดนะมันไนมะ่ใช่พิธกรรมของไม่มีเ <c oughs> ดิพระนับบวชเราเนี่ยกลายเป็นหมอผีกลายเป็นเจ้าพิธีไปมีแต่พรามง น, นั้นแหละนะ อย่าลืมว่าคำว่าทูปเนี่ยเขาสาบาลีเรียกว่าทูปะแปลว่าเครื่องทำควันอ่าเราจะมาเรียนหนังสือกันมันเนี่ยทูปาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีกฎไม่มีอ่ามุ้งอย่างนี้หรอกทีนี้โยมก็สงสารพระก็เลยไปจุดหาเครื่องทาควันมาเพื่อไล่ลินยุงเขาเรียกว่าทูปะ ภาสาบาลีแต่ทีนี้คนก็พัฒนาขึ้นว่าทำเป็นอย่างนั้นไปให้มีความขึ้นเอาไปเอามาอคนจีนเขาไปสู่นั้นไปเห็นก็เลยว่าหัวคิดดีก็เลยมาทำเป็นพูดขายซะเลยที่จริงเข้าไว้ไล่อยู่ไม่ได้ามาบูชาพระ น, นั่นแหละ มีคำถามนะคะหลวงตาทำงานออฟฟิศสามารถเข้าโสดาบันได้บล่ครับได้หมดเลยที่เกียรเงียบอยู่บ้านก็เป็นได้เดีย๋ยวว่าจะทำงานเลยเพราะว่าถ้ามีสติมีสิ่งสมาธิปัญญาเขาเป็นสิ่งสิ่สมาธิปัญญาขั้นส้นนั่นแหละเรียกว่าโสดาบันได้หมดอเดี๋ยว่าจะทำงานออฟฟิศเลยไปดำน้ำอยู่ก็เป็นได้ไม่มีใครสมวนลิขิตหรอกเพราะงั้นคนมันประมาณ ก, กัน ขีคำถามนะคะพุทธวจนะดีไหมครับหลวงตานี่พุทธวจนะเข้ามาอย่าไม่ดีแต่อยาเอาความเห็นของเองไปตีความนะอันนั้นเป็นความเห็นของเจนเองไม่ใช่พุทธวจนะต้องทำตามพุทธวจนะนะไม่ใช่ป้องเอาอย่างเดียวเขาจะพูดพพุทธวจนะ บุคคลใดพ้ะมลแต่พุทธวจนะไม่ทําตามพุทธวจนะก็เหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโคคนนับแต่โคคนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของโคทําไมถึงหมายความว่าอย่างนั้นถ้าไปฟังเทศแล้วได้บรรลุธรรมหลวงตาหรือครูบาอาจารย์เทศไว้กับการห ล, งรหลงราาวหลงตามหบาบัวองหลวงตาเทศไาาว้บัญญัว่าใส่ชีีไว้สามคนเล่นพ่วงอะมั้ง มึงฟังหมดเลยถ้ามึงอยากถามอะไรมึงต้องไม่ต้องมาถามหลวงตาถ้าเรื่องภาษาธรรมมึงเข้าไปหาูเกิลเนี่ยมีหมดมึงไม่ไปช่องหรอกการปฏิบัตินี่ยากไต้องมาถามเลยถ้าพูดถือเรื่องธรรมะอย่างนั้นอย่างนี้นะเรื่องอริยสัจีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้าไปกูเลเลยทิ้นเข้าไปมีหมด ถ้าถามเรื่องสภาวะทำเรื่องอะไรที่ตัวเองสงสัยอะอยากรู้จริงๆอะถามนั่นค่อยเกิดประโยชน์ไม่ใช่ถามเพื่อจดจงว่าตัวเองมีคั้วกรอบอยู่แล้วป ร, ร, ระมาณนั้นอย่ามาลองเลยไม่มีภูไม่ลองเลยอ่ะอ่ะอ่ะอ่ ะ, อ, ะอยอีกครถ า, ามนะเจ้าคะ ปฏิบัติอานาปานสติแล้วผมมีอารมณ์รุนแรงกว่าเดิมเป็นเพราะอะไรครับเพราะมึงจะเห็นอารมณ์ซีโฟทชทัะเจนขึ้นเป็นร้อยเท่าไม่ใช่เสือมเนอะมันจะเห็นคมชัดขึ้นอารมณ์จะรุนแรงขึ้นความคิดก็จะฟุ้งซ่านขึ้นยิ่งมึงไปเหมือนมึงไปแย่มันห่ะมันอยู่ดีดมึงไปปฏิบัติไปแย่ไปคุยมันขึ้นมามันก็จะฟุ้งออกมา อันนั้นเราเรียกปัญญาขั้นต้นฮะอภิปรายหน่อยเลยทุกทๆๆทุกทเลยเหรอว่จะเห็นแรงมากฮะเพราะมันจะอารมณ์มันจะเห็นอารมณ์ชัดเจนมากมีโทษมากงั้นคนจะเห็นโทษของอารมณ์เลยเข้าใจไหมหลวงตาครับวิปัสสนาธรรมถ่ายรวมกันได้ไหมใช่รกันได้ใช่ ถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่มีสมาธาวิปัสสนาก็ไม่เกิดขึ้นในเมื่อีวิปัสสนาเกิดขึ้นมันก็จะไปเคลื่อนห น, าาออห น, หนุนสมาธิเองสองอยากจะเคลื่อนหนุนกันไปประสมมาสานิสสมาธิปัญญาถ้าเข้าถึงอรหันตผลจริงๆเรียกว่าเป็นอันเดียวไม่มีการแบ่งแยกเลยนิสนสมาธิปัญญากับจิตาอะไรก็เป็นอันเดีย ว, วกันแค่ว่าสัจธรรมแปว่าอันเดียวนั่นแหละคือจิตรวงอันนี้ถามเรื่องการให้ทานครับให้โดยเอ่อเขถามเรื่องการให้ทานมาครับ ให้โดยไม่ต้องรู้ว่าเขาจะเอาไปทำอะไรใช่ไหมคะใช่ถ้าให้ยังจิตใามึงสะสมเกลียดพักวันหนึ่งมึงเข้าไปทำแล้วมึงก็ติดลบมึงมึงไปทนกับคนคนอื่นเนี่ยพอเขาไม่รู้ดีพาของค์นั้นสิไปกูไม่น่าทำกับแม่งเลยเนี่ยลบเลยฮะไม่จบทาทานอยางไงมันมันต้องสลักเลยเง้นมันต้องสลัดิ ทาวอยากได้นู่นอยากได้ดนี่มันก็อยากทานเลยคือเราหวังผลไงครับว่าสิ่ง ท, ที่เราทําไม่หวังมันก็ได้อยู่แล้วเพราะมันสินเหตุอยู่แล้วมึงไม่ต้องไปหวังหรอกมึสงสร้างเจตเหตุนี่แหละปุจุชนกลเหตุนะอริยกลัวเหตุปุจุชนกผลคือเราทําน้อยก็อยากได้มากๆบางคนใส่ข้าวเข้าหมดไม่มือใส่บาต น, นี่อยากได้ประสาทราชวัง หัวคาก็ไม <akes> ่เกินควรเกินไปกว่ากูจะได้กูจะใช้บากกว่าที่ทานอยู่สองชั่วโมงก็มีเจนกูไปกินกูก็หิวข้าวก็มีกว่าจะกูได้ข้าวโอ้ยยกไปหัวแล้วยกไปกูว่าพอได้แล้วว้าเป็นพ่อจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจะบอกให้นะ องค์ประพฤตนากับอารมณ์นี่มันเหมือนกันก็อาเจียนกันแหน่ไม่มีคำถามแลนะ้วเนาะวันนี้ก็ถือว่ามีคนดูกูไหมมีให้ไม่อะไรเฮ้ยทำไมมีน้อยจังวันนี้ยลุงตาเจ้าคุณ เมนมาอีกว่าเปรี้ยวถามให้หน่อยอขออนุ ญ, ญาตนะคะอ่าคําถามคือถ้าเราปรารถนาพุทธภูมิดีไหมครับหลวงตาดีปรารถนาไปเจอดีหมดหลยถ้าปรารถนาเรื่องดีะน ะ, ะเพราะว่าเรามีเป้าหมายอะนะอ่าเหมือนเหมือนเหมือนหลวงตาบวชเนี่ยหลวงตาก็ปรารถนาอยากคนทุกเห็นไหมถ้าเราไม่อาศัยศัสนาไม่มาอาศัยความอยากเราจะทําได้ยังไงอ่ะจริงไหม ตัอก็ใสจินหเพื่อล้จหะใส่มันาล้วพื่อล้ออว ม, มันซ <c oughs> ัก้กอนยาันไหม่าฮ่าากูก็เต็มที่มไาไงท่านกูจะไปทำทำไมกูนอนอยู่บ้านไม่ไดีกว่าเลยที่จะนอนปากนาเอาแล้วไม่ลงมือทำก็เป็นอีกเรื่องอะไรละยัง <c oughs> ไงล่ะ น, น, น, นั่นแหละที่จะอยากได้หมดเ้างนิดเดียวก็อยากได้เยอะๆเหมือนพวกซื้อหวยเนี่ย พี่มรังอ้ายังอ่ะขออนุญาตถามเขาเพรอะเขาพยามสนใจเาว่าหมเ่อว่าช่วนวัีผมปฏิบัติอาณาปานสติแต่ทำไมยังโกรธคนอื่นอยู่ครับพอรู้สึกตัวเห็นว่าตัวเรามันเลวจริงไม่น่าไปโกรธคนอื่นใช่นี่ๆอ้าวเอาตอบให้เลยไม่ต้องถามจบก็ได้พระอรหันต์ก็มีความโกรธ แตก่กูไม่เคยเป็นครักแต่กูพูดว่าต้องมีเนี่ยเห็นไหมกูบาอาจารย์บางทีตากระโจนตจหัวพะเลยน ะ, ะหรือไม่เรียกว่าความโกรธหรือว่าความเมตตาหรืองไงตาค้องใส่ชื่อความโกรธมีอารมณ์ยังมีทุกอย่างแต่ไม่มีเจ้าของอารมณ์มากกว่าคือมันดับ ง, ง่ายมันไหลนี้หมดอ่ ทำไมถ้าอาหารก็จะหิวเป็นร้อนเป็นหนาวเป็นอยู่เห็นไหมเพราะว่ามันเป็นเรื่องของขันยังอยู่หูก็มีอยู่จริงไมจางก็มีอยู่แต่ว่าเพราะว่ามันก็ดีเพราะว่ามันดับเร็วกว่าปกใช่ใช่แต่ที่คือมันดับเร็วนั่นเองแต่ว่ามันมันยังมันมีใช่เพราะว่าครูบาอาจารย์บางทีก็โมโหเหมือนกันนะโมโหแต่ว่ามันไม่มีมันโมโหแป๊บเดี๋ยวก็หัวเราะตัวเองไงคือมันอยากโมโหอยู่ แต่มันไม่มีอาคาพยาบาทที่จะปั่นเข้าไปหลวงากาเคยอยุปมานะคนเราเนะี่ยมีเหมือนเมมเบรี่เนี่ยจิตนี่เหมือนเมมเมรี่เนี่ยบันทึกเรื่องราวหลายล้านที่ abyte เข้าใจไห ม, ามานานการภาวนาคือการอ่ะปล่อยให้ใ ห, ให้ให้สัญญาเนี่ยให้หรืออัสวะเนี่ยพุ้งขึ้นมา หรือทุก memory ขอดออกขอด memory ออกไม่ได้บ <the> ันทึกแต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมอยู่แม่จะนิ่มๆ memory บันทึกนั่นเองฮะหูก็ได้ยินเสียงเหมือนเดินตาก็เหมือนเดิมหายใจเหมือนเดิมหิวเหมือนเดิมตดเป็นเหมือนขี้เป็นเหมือนกันหนาวเป็นร้อนเป็นเหมือนกแต่ไม่มีบันทึกไว้คือไม่มีมม m o รีหรืออุบมาเหมือนน้ำหยดน้ําบนใบบัวนั่นเอง อารมณ์ก็เหมือนกับหยดน้ำนั่นแหละมีอยู่แต่ไม่มีจิตใบบวัวนั่นเ <c oughs> องปวยเป็นเจ็บเป็นเหมือนกันเหมือนะมีคนถามว่าหลวงจานั่งอยู่ดีๆเนี่ยอยู่กูฏิเนี่มีคนมาด่าหลวงจางเนีย่ยหลวงจาจะโกรธไหมกูไม่โกรธหรอกกูจะยันมันเลยดูดี ๆ, ๆมาดา่ากู <c oughs> หลว ง, งตาครับแล้วนี่ตัวรายละเอียดคุณลีก็ถามมาว่างั้นถ้าคนกดให้ง่ายหายเร็วก็ปฏิบัติเป็นอรหันต์ง่ายกว่าไหมครับอ่ามันไม่ได้กดง่ายหายเร็วอย่างนั้นนะจะแต่กดง่ายหายเร็วก็ดีนะเพราะว่ามันมันมั น, ม, นมันดับเร็วเข้าใจว่าตัวสติไหมเนี่ยไม่ของไม่ขีดใช่ไหมถ้าเราขีดไม่ขีดไปติดใช่ไหมถ้าเราดับอย่างเงี้ยมันจะ ง, ง่ายไหมแต่ถ้าเราเอาไปจุดล่ะ นั่นแหละคือมันสร้างอารมณ์ขึ้นมาเต็มที่แล้วมันไหม้บ้านแล้วมึงไปเรียกก็จะเพลิงมามันก็เหลือแต่ซอนั่นแหละอารมณ์ก็เหมือนกันถ้าเราไม่รีบเห็นมันอ่ะไม่ดับถ้ามันเริ่มต้นจะเห็นก่อนมันดับมันก็ดับง่ายแต่ถ้าเราเห็นถ้าปล่อยให้มันลุกลามขึ้นมามันไหม้เต็มที่แล้วมันก็ลามไปคนอื่นนีไม่โมโหต้นสมันก็ไปต่อยไปฆ่าคนอื่นนะเข้าใจไหม เราถ้ามีสติเนี่ยฝึกปฏิบัติมันจะดับไวกว่าทุกดับเลยดับง่ายด้วยมันยังไม่ได้จิตไม่จำเลยนะผมนะใช่แต่ถ้าเราปล่อยอารมณ์ชนิดปรุงแต่งขึ้นมาเจนที่แล้วเมืออารมณ์ลาค้าอย่างเงี้ยอารมณ์ลาค้าเนี่ยมึงจะหนาวขนาดไหนมึงก็ถอดผ้าออกเพราะมันสร้างพลังความร้อนขึ้นมานั่นแหละมึงอ่าดับอารมณ์ชนี้ดับแล้วมึงก็จะ ห, าหนาวหนาวี่จริง ขนาดมุ่นกับชิ้นนั้นองค์เชอยู่ในวัดหฮมเป้าหกรวมนะชวนรกระโดดนอกทุก่งมันยังสอท่าเลยนะงอนเลยโอ้โหหนาวจริงเพราะอารมณ์ทุกอย่างมันก็สร้างพลังงานของมันไม่ว่าโทษสาไม่ว่าอะไรก็ตามเห็นไหมมันมีอำนาจมากนะแต่ถ้าเราดับมันได้ละ่ะเราก็เจอไม่จบในชาติของอารมณ์นั่นเอง ยันแหละอไม่เป็นชาของกี่เลสฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าว่าเราพลาด了ขาตัแต่งถ้ากันเช็คกูก็ยังไม่ได้เลยนะาาาาตสุ้ตเออฮ่าา